เสียงานหนังสือพุทธธรรมฉบับรับขยายบทที่18บทแรกแห่งภาคที่สบทความประกอบที่หนึ่งชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอริยชนว่าด้วยเรื่องพระโสดาบันขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาเจ้าภาพเพิ่มเติมอีกดังนี้จุติเดชสุภกิจสินกรอกัวทรงผลหลงรักสุวอวิวัตยองเอ็นพิสิทธารัตคสีย์รัตนอาภาอตโตฮิภูเบศโพธิ รอบครัวทิพทานทองมิชามาโสภาพันงามพิริยากุลชัยวิรงรองเปี่ยมสกุลอนุภาพอวมมีเพียรกนิยาบุญทกาโนนธ่รวุฒสายมาแก้วร่วมกับอีกหลายท่านดูได้จะเครดิตท้ายเรื่องและขออนื้อโมทนากับท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามขอทุกท่านเจริญแต่ในทางที่เป็นกุศลยิ่งขึ้นไปสัพพธานังธรรมทานังชินนาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง